ฝากคำถอยขอสนับสนุนให้ทุกท่านได้ภาวนาได้ปฏิบัติธรรมตามรอยยุคนบาด เพื่อข้ามวัฏสงสารถึงมรรคนิพพานเป็นจุดหมายปายทางของชีวิตเรามีพุทธศาสนาเราเชื่อคำสอนพุทธเจ้าคำสอนพทธเจ้าให้ถึงมรรคถึงผลมีงับคนิพพานเป็นที่หมาย เรานับถือพรธศาสนาไม่มีมรรคผลนิพพานแล้วเราไม่ต้องนับถือให้มีประโยชน์อะไรเมื่อเกิดชีวิตของเรานี่เราเกิดมาเพื่ออะไรมีขามีแขญมีหูมีตามีกายมีใจเพื่อบรรการใดเราใช่สําเร็จประโยชน์มันมีกายมีใจ นั่นเป็นที่ตั้งของความดีของความชั่วถ้าเราไม่หัดไม่ฝึกหัดตามพระธรรมคำสอนอาจจะไปทางชั่วมากที่สุดเพราะมีปัจจัยมีวัตถุตาหูจมูกเลี้ยกายใจมีโูปมีรถมีกินมีเสียง นี่สัมผัสมีอารมณ์อารมณ์ท้งตาทางหูจมูกลิน้นส่งไปอยู่ที่ใจจิตใจเป็นผู้ที่บันทึกไว้เก็บข้อมูลไว้อาจจะมีบ้า ก, กว่าจิตปัญญา ละห ว, ว่างความหลงกับความรู้สึกตัวเนี่ข้อวนที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันมีความหลงมากมันจึงเป็นเหตุให้เราได้มีปัญหาจึงมาเข้ากรรมฐานเข้มกันเพื่อล้างบางแห่งความหลงในติ ภาในกายอยู่เป็นประจำจะสนับสนุนกันให้มีสติตามจริงสิ่งอันใดกิจอันใดงานอันใดให้เป็นงานกรรมฐานทั้งสิ้นแม่ผู้บุญาหารก็กรรมฐานมีสติตามน้าพริกหงข้าว ไม่มีสติอาจจะเป็นอาจจะเป็นว้ยหลางได้เช่นเดียวกันเว้ยหลางทำแต่ข้าวผ่าแต่พื้นไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกับผู้อื่นเขาไม่เคยได้ฟังธรรมจากพระสังฆปริยบองที่ห้าเลยผ่าแต่พื้น ตามแต่ข้าวให้หมูกินตัวที่สุดได้มารลุธรรมโกรธคนที่นั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ใกล้สังฆปริยร ย, ยกของที่ห้าแทนที่จะเป็นคนอภิภ พ, พ บ, บุคคลกลายเป็นคนอุคติตันย่บุคคล ได้รับเป็นจังฆาปรโยกองที่หสืบต่อไปนี่เคยคนตําข้าวฝ่าพื้นไม่ใช่เป็นเรื่องผิดถ้าเรามีกรรมฐานใส่ใจเคยตาข้าวไหมพวกเราเหยียบกระเดียงเรียกว่าตาข้าวนะกระเดียงเหยียบขึ้นมามันก็มีสากลงไปตามที่คกถ้าเหยียบไม่ ตีคุกมันสาบมก็ไปไปทางนี้ไปทางนี้หรือตําไม่แม่นอสาบมันก็ไปคุยเข้าให้ให้กระเด็นออกไนดะ้ต้องให้แม่นใส่ใจมีสมาธิเหยียบตัวนี้ลงตรงนั่นเหยียบตัวนี้ลงตรงนั้นเราเหยียบตัว น, นี้นให้มันลงตัว น, นั้นถ้าเหยียบไม่ตรงถูกมันก็ไม่ลงที่อื่นใ ช, ใช่ไหมเคยําเข้าไหมอ่าอะ เนทุกวันนี้ไม่มีไม่เคยตำข้าวเป็นโรคปวดขาวปวดเข่ากันเยอะให้เคยหาบน้ําขึ้นบันไดจึงเป็นโรคปวดขาวปวดเข่ากันเยอะเตะๆน้อยๆก็บุนว่าปวดเข่าเพราะไม่ใช่แรงงานหาดน้ําก็ไม่เป็นต่ําข้าวไม่เป็นป่าปืนแม่นไหมผ่าปืนนปืนดุนเท่าเนี้ เจ้าให้แตกเั็นสองเชืกจะได้ไหมมันไม่เคยมันก็ไปถูกติ้นนนไม่ถูกนี่มันไม่ตรงสับสี่ข้างห้าข้างไม่ถูกทีเดียวมันก็ไม่แตกอันพาเพื่อนเขาเวรลางนะพาลงไปติ้บับ้งที่หนึ่งตุกด้งที่สองถูกร้อยก็แตกเลยนี่คือมันแม่นสมาธิแต่พาเพื่อนนี่มือนี่มันแม่น แม่นจากไหนแม่นมาจา ก, ก จ, จิตใจบางทีเรายกมืออยู่นี่ยังไม่แม่นเลยใช่ไหมไปขึ้น ไ, ไม่แม่นเลยมันไปอยู่ที่ไหนหลยคุณคิดอารมณ์ที่คุณคิดปอยโน่นมันไม่แม่นมันไม่เคยกินต้องฝึกหัดตนสอนตนให้มันเคยกินแม่นย่อม เราเชื่อมั่นในวิชากรรมฐานมากที่สุดในโลกแน่ไม่มีวิชาใดที่แม่นที่ศักสิทธิ์เท่ากับวิชากรรมฐานโดยเฉพาะสติปัฏฐานเนี่ยพลิกมือขึ้นรู้ทันทีอื้อมันมั่นใจยกมือขึ้นก็รู้ทันทีวางมือลงก็รู้ทันทีขั้วมือลงรู้ทันทีตัวรู้อู้มันได้ตัวรู้มันรู้มันรู้มันรู้ แล้วมันลู้ตัวนี้เป็นไรมันทท่าหมดมันล่างทั้งหมดแล้วก็มีอะไรมีหลงมีหลงไมต้องไปทำกับมันกับความหลงเมื่อมีความรู้มากขึ้นมันก็โคบนันก็เองงั้นแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หมดไปสว่างมากเป็นดวงอาทิตย์ก็ลู่แจ่งโลกมันไม่มันไม่ใช่อย่างเื่นนะ มีตัวรู้ตัวหลงทนนั้นดังวันนี้พระองค์ยังทบทวนเรื่นี่อยู่เรียกว่าปฏิจจสมุรปบาทมีตัวรู้ตัวหลงอวิชชาไปทางหนึ่งถึงชาติลามรลตายทุกอวิชชาไปทางหนึ่งข้ามฝั่งไปทางหนึ่งอวิชชาลงไปทางหนึ่ง ไม่ใช่ามาท่า น, นั้นแน่นอนที่ฉุดเรียกว่าปฏิจจสมุ ป, ปบาทสายเกิดสายดับมันหนึ่งเกิดเป็นพภพัิชาติีรอ้อยภพร้อยชาติจากความหลงเรื่องเดียวเป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นสนาโลกเป็นเดรัจฉานก็ออกได้ถ้าหลงเรื่องเดียวนึงไปเป็นหลายพวพหลายชาติสายเกิดสายปรุง สอยอะไรต่างๆเป็นพภพชาติถึงทุกข์กนะั่นแหลชาติทีสุดอทุกข์นะ่นแหวจะถึงทุกข์กน้ำตารู้น้ำตาไหลมันเกิดจากอะไรก่อนไม่ใช่ไปรูปคำน้ำตาไปเช็จน้าตาไปทำอะไรไม่ใช่มันเกิดที่ไหนมันเกิดที่อวิชชาคือไม่รู้ต้องมีวิชาคือความรู้สึกตัว เมื่อมีความรู้จักตัว ม, ม, าตามันจะไม่ได้เช็ดน้ำตามันจะไม่ได้เศร้าโศกเสียใจไม่เสียเวลากับความโกรธไม่เสียเวลากับความทุกข์ไม่เสียเวลากับความหลงมีแต่ภาวะที่รู้ส่ดับไม่มีอีกแล้วดั บ, ดบไม่เหลือดับไม่เทือไม่ประมาทอาศัยได้ความรู้จักตัวความรู้จักตัวไปไกล ไปถึงบากถึงผลมีทุกไม่มีทุกชาติชนะโสกปฏิวัตทุกสายลงสายลู่ไม่มีทุกทุกตับสังขารดับประธานตับชาติดับเจตนะดับผัสสะตับไม่มีอุปทานชาติหมดหรือว่าสิน้นภพสิ้นชาติ มีแตเมตตากรุณาเปลี่ยนแปลงมาเป็นความดีจากความร้ายมาเป็นความดีทั้งหมดชีวิตเราทำความดีได้ทั้งหมดนี้วสิบนิ้วไม่มีอย่างนี้อีกเดินความดีเกิดขึ้นเมตตากรุณาหากรุณาที่คุณเกิดขึ้นมาอากรุณาที่คุณทำประโยชน์โบสุถ์ที่คุณบโบสถ์ใจต่อทุกสิ่งทุกอย่าง บัญญัที่คุณโลภรู้ไม่ง่หลง อ, อมายทำไรแม่นยำชัดเกนินทะลุทะลวงถึงจุดหมายปลายทางเป็นประโยชน์จากคนคนนึง่งเป็พพทธองค์พระเจ้าที่เราศรัทธาต่อพระเจ้ามีจริงตัดทะลุเรื่องนี้จริงๆติงทำได้จำได้จริงจริงพิสูจน์ได้จริงๆ ถ้ารู้เป็นยังไงถ้าหลงเป็นไงทุกคนตบได้เมื่อโกรธเป็นยังไงถ้าไม่โกรธเป็นยังไงถ้าทุกข์เป็นอย่างไรถ้าไม่ทุกข์เป็นอย่างรซ้อมพัดเราตอบได้จนลอยไปอยู่เวลาใเราหลงรู้จตัวโอ้ยลอยพุทธเจ้าอยงนี้องค์โมสรข้เจ้าตามร้อยองค์บาทกามทุกษาญาณข่วงใจสว่างสางุนิพันธ์ มันตามลอยไปเนี่ยฮะสงสารกันเลยมันเกิดมันดับมันปุงมันแต่งสงสารวัตถสารเรื่องเก่ามาคิดดร์สุขบ้างทุกบ้างเรื่องเก่าวัตะทงสารเวียนอยู่อย่างนี้อ่ำวัตะทงสารกิเลสตัณหากรรมวิบากภกชาติจารามณะอยู่ไหนข้ามเลยต่อข้ามนึสานแล้วก็ บัณฑิตผู้เห็นภยัยเดินไปคิตคือผู้เห็นภยัยภัยคือวัตตะสงสารวัตตะองสารคือเกิดแก่จำตายคือสุขทุกข์เล่าทุกข์เกเรื่องเก่าเรื่องนั้นเรื่องทุกข์จมำเวียนอยู่ฉชนนั้นเหมือนคนไม่เชื่อโลกจำเกลีวก็แล้ว ก, วก็เป็นตาบาป เป็นลยแผลเผยในใจเผยในใจก้อยที่จะเก็บจะปวดก้อยที่จะรับจะชังตอนเป็นเรียบเนี้กก็มาาน4ี่สิบวันเนียเป็นการกำหนดเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่ปรามาสั จ, จะปรามาสั จ, จะไม่มีคำว่าสี่สิบวันหนึ่งวันสองวันมีทุกวินาที ชีวิตของเรามีแต่พระวจีลูกเป็นชีวิตของเราชีวิตที่ว่าของเราไปเลยจะไปกําหนดจริงจังในขณะที่สมมุตรบรริบัญญัดให้เป็นปรมาจิต จ, จักรวมหลงไม่จริงเป็นสมมุตรบรริบัรจัดรวมไม่หลงจริงเป็นปรมตจิต จ, จักรวมโกรธไม่จริงเป็นสมมุติบรญญัด ว่าไม่โกรธเป็นประมศศัทสัจมันจริงกลัวกันถ้ามันจริงอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาชีวิตเราจะมีคนมีค่าคุ้มค่าน่านมที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาเกี่ยวอะไเกิดตายว่ามที่จะทําความชั่วดีได้พวกทีล่ละาความชั่วได้อาไม่ใช่ไว้ทําอย่างอื่นนะ เราเชื่อมั่นในการมรานเชื่อมั่นในการกระทำของเรามาเถอะอะไรจะเกิดขึ้นมามาเรามั่นใจว่าเรามีความรู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะเห็นเห็นแล้วมาไม่เป็นไปกับอย่างอื่นเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึสกตัวทั้งหมดความรู้สึกตัวเป็นตัวเฉลื่ย ถ้าเราปฏิบัติเวลาเราฝึกขัดเนี่ยพยายามจับเช่นทางให้ถูกเสียก่อนจ่อให้มันเฉลยถลายเช่นบางทีเรายกมือช่างจ่าเป็นเน้นไปกี้ไปเพงมันก็มันชะเป็นอิสระความรู้สึกตัวเน่ดูสึกอู่สึกูกู่สึกตัวน่คือลู่เย ยกมาเรื่องกับลู่เนี่ยลู่เฉยๆลู่โลลู่เล่ไม่มีอะไรจบแค่นั้นคือภาวะที่ลู่ในไม่ไปคิดว่าเราลู่สืบตัวเรือเปล่าความลู่คืออะไรความหลงคือยังไงไม่ต้องไปคิดหาฝึกหัดไปก่อนให้เข้าถึงภาวะที่ลู่ซื่อไปก่อนลูแล้วมืนจบสุดแผ่นดินถ้าจะว่าเราจบแค่นั้นคือทั้งหมด มันหลงลู้จบแล้วจบทุกอย่างถึงภาวะทิรูมันสุกรู้มันหลงมันผิดมันสุกมันทุกข์มันอะไรต่างๆงาถึงภาวะทีิรูจบทั้งหมดจบทั้งหมดเป็นการชิ้นเวรชิ้นภัยชิ้นกรรมทั้งหมดเลยถ้าเข้าถึงภาวะทิรูบางทีมันเตลิดพลังอื่นต่อเพ่งบัญจิตริทลาย ไม่อยากให้หลงก็หลงระวังระมัดระวังมากนี่ไม่ไมค่อยดีไม่เป็นอิสระ่างทีระวังมากเราผิดเอาถูกกับการกระทาของตนเองถ้าถูกก็พอใจใบแบบแต่งแต้ถ้าผิดไม่พอใจไม่ใช่สติเราถ้าสงบพอใจนั่นไม่ใช่สติ อ้าพุ่งซ้อนไม่พอใจนั่นก็ไม่ใช่สติสติมันจะเหนือทุกอย่างนะเหนือทุกอย่างนะไม่เห็นทุกอย่างราวะที่รู้เนี่ยมันผิดก็รู้งานถูกก็รู้งานสงบก็รู้งานพุ่งซ้อนก็รู้เนี่ยราวะที่รู้ไปเหนือเหนือไปสูงสูง ไม่มีอะไรทับถมได้ถ้าผิดไม่ชอบถูกทับถมแล้วไม่งอกงามความรู้จักตัวไม่งอกงามถ้าถูกก็ชอบถูกทับถมแล้วความรู้จักตัวไม่งอกงามไปได้ความผิดไปได้ความถูกแก้อยู่นี่ตลอดชีวิตนักกรรมฐานทั้งหลายไปบีบตาให้มันสงบ นั่งหาที่หลบเลีกไปชาวบ้านป่ามไม้กันอยู่ใช้สิ่งเบ็ดร่มช่วยมันยังเป็นอนุบาลมันไม่ใช่บารศึกษาชัน้นผู้โดมสมบูรณ์ยังหัดอยู่ยังยุบตัวหนอ่ยอชาญย่างหนอขวัญย่างหนอมันไม่ใช่อย่างนั้นยังมาหาเข้า โอ้โหงอชโกทูยังอยู่ว่าเช่นะันมันเป็นอนุบาลช่งนี้นหนึ่งเล้วต่อไปตอนตามที่กรุงอปปรเรล่วมาที่มาเลเซียาอายู่สำนักกรรมฐานที่มาเลเซียน้าโยมก็พามา ก็ขึ้นไปที่กติอาจารย์พระยาโจมก็ไปโคบประตูอาจารย์บอกว่ามีฮะหสองว่อกำเขียนมาเยี่ยมมานั่งรออยู่เขาก็่านานั่งรออยู่อาจารย์ก็ย่องค่อยๆเปประตู หลับตาบีก็ย่องมาแค่สี่ห้าเมตรเนี่ยเกือบชั่วโมง <c oughs> ช็อกม า, มาย่องมามาแล้วก็มานั่งลงเราก็เป็นรื่นอรอำเก็ว่าอะไรมากราบเรากราบกันเลือนตาไม่เคยพูด โทษนน้อยโอ้มันจะหลบรถ<บ>เรลลือยเป็นแบบนั้นถ้าข้ามถนนมันจะมันจะข้ามถนนได้เลยเลถชนตาลเลไม่ใช่ชีวิตแบบนั้นมันต้องชักป้องไว้ว่องไว้ว่องไวมีสติมันไหวนะคนมีสติอันนั้นเป็นอนุบาลมันต้องเป็นเปาาดมศึกษาเหมือนพวกท่านทั้งหลายปะดิน ญ, ญาแล้วชำนาญแล้วชนานาญแล้ว ความรู้นี่ชำนานที่สุดยาตะดปริญญากำหนดรู้โดยการรู้กำหนดรู้โดยการรู้มันหลงกำหนดรู้โดยการรู้รู้แล้วมันหลงไปกลับมาดีแล้วนีกว่ายาตะดปริญญากำหนดรู้โดยการรู้เปลี่ยนมาเป็นความรู้ตีละคณะปริญญาแกะแยงได้นิดเดียวนั่นคือหลงนี่คือรู้ความหลงไม่ถูกต้องติละคณะกินแกแยงชักเกณฑแม่นยำ มหาเนปเป利าทําให้หมดหมดไม่มีแล้วมันเปนอย่างนี้มันมีสามปริญญาในพุทธศาสนานะมันไม่ใช่เป็นนรกวานแค่นนั้นรู้แลว้วรู้แลว้วรู้แลว้วรู้แลว้แลวเหมือนคนทันยาเอาฟังพระพุทธเจ้าเทศนูดแล้วพระเจ้าลูกไม่เที่ยงดูแลว้วจริงได้ไมาเที่ยงสิ่งนนเป็นทุกพระเจ้าพูดอยู่ดั่น รู้แล้วสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนรู้แล้วสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนสิ่งนั้นหลาคนยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนเรารู้แล้วอืมีปัชนาอก็ให้มันอย่างนี้นะมันเห็นจากใจิตใจเราเนี่ยคนอื่นรู้อย่างนี้อ่ะจน รู้แล้วรู้แล้ววางอ้อวางอ้ออมอืมอ ม, อ, มอ่มันมีนอยู่ในเราเนี่ยพระเจ้าจแสดงนู้นไม่เป็นเรื่องของเราเน่ไม่ใช่เรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องของเรารูปเราก็มีนามก็มีเวทนาก็มีเป็นไปเพื่อความพระเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะ่าโรกนี้พร้อมทัพบธรรมคาสอนเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกมาพร้อมกัน พุทธเจ้ามีพระธรรมมาสอนจริงได้ทําให้เกิดพระเจ้าขึ้นมาเพราะธรรมทาให้เกิดเป็นพระุทธเจ้าพระเจ้าจึงเคารพพระธรรมกรรณาฟังเหมือนกันเลยทีเดียวปับ๊บปพระเจ้าบอกอยู่ในคนทราอันเดียวกันมีสติพระเจ้าบอกหงายเฉมีสติไปในกายเป็นประจำ มันก็มีในกายทุกคนเนี่ยเวลาอะไรที่เกิดขึ้นกลายมีเหมือนกันมีรอ้อนมีหนาวมีปวดไปชุ่ไปสู้ท่วมปวดบางทีก็เสียเวลาค่วมปวดไม่ใช่สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ตัวไม่ใช่จดบุคคลตัวตนเราเขามีบันกันโกทยาก็มีบันกันพวกเราก็มีเหมือนกัน ที่นั่งลงไปนี่คือเวทนานี่คือวความคิดนี่คือธรรมอารมณ์พวกโมโหน้อยนอนความละเลสงสัยความคิดผุ่งสร้างเป็นธรรมอารมณ์ไม่ใช่ไม่ใช่สติมันคนละอย่างมันมีบางทีมนสงบพรเห็นมันสงบบางที ม, มชอบสงบมไม่าติความสงบไม่ใช่ ไม่ใช่สุสติเห็นมันทำจัาธรรมไม่ใช่สัจบุคคลโตต้นเราเขาเห็นมันที่มันเกิดเลยขึ้นกับกายกับใจเนี่ยตนทัญญาฟังไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปจนในที่สุดอนยาชีอุท า, า, านเอาเจ้าอุทานออกมา โอท่านละอันญาสิวัตถโพคนทันโยอันดาสิวัตถโพคนทันโจปัญเจ้าชีผู้ม um yeah, mm. ีอายุวนธันยาผู้มีอายุผู้มีอายุกัวเขามากัวเขารู้แล้วหนูรู้แล้วหนูอนยาสิวัตถโพคนโยตอบแสดงสติตอนนั้นเนี่ยมันมั็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่น สิงที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงในโลกนี้มีสิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกข์นะสิ่งที่เราโกรธคนอื่นเขาไม่โกรธเราเรายังมองงงอยู่อ่อนเก่าอมงมอยู่น เ, เ, าามมเนบ้าบ้าบ้าจิตบินยานไม่ใช่บ้าแบบโลกประสาทบินยานเนี่ยมันไม่เคย กอบกู้ขึ้นมาไม่เคยดูแลตัวเองเรื่องจิตวิญญาณปล่อยปละละเลยไม่สูขสั่งสุขสอนชีวิตของตนเองไม่หัดไม่ฝึกไม่ผลไม่อบรมนอกจากถ้าเราไม่ฝึกไม่สอนจิตวิญญาณก็เป็นความสำคัญต้องไม่โูนเฉียเรื่องอื่นมากมายแม้มีอาชีพที่ดีถ้าจิตวิญญาณไม่ดี นั่นก็ไม่สมบูลณ์แบบเพราะนั้นนี่เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเช่นความคิดปล่อยให้คิดทุกเรื่องไม่ได้อะไรก็คิดทั้งหมดอะไรก็คิดทั้งหมดไม่ใช่แบบนั้นใช่จิตใจเป็นผิดประเภทบางทีไม่อยากคิดบางก็คิดเพราะไม่หัดมันเคยชินมันปเพื้อนแล้ว ไม่อยากคิดมันก็คิดปพราะยอมห้ามคิดมันเลยไม่หยุดสักทีไม่ต้องห้ามมันน้ำโยกน้ำบุง่งวิธีปฏิบัติขี่โคมันเหมือนคนสองคนแข่งวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันแต่คนหนึ่ง ขี่คอคนที่วิ่งนั่นไปถึงไหนก็ไปถึงไปถึงด้วยกันมันขี่คออยู่หมายถึงความรู้จักตัวกับความหลงมันคิดก็มีความรู้ใอดันจนเห็นมายาสาไถไยของความคิดมันแค่นี้หลือตะโกนอมาในหัวใจกิเป็นสุกันทุกความคิด มหาที่สุดคนอื่นจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เรานี่เอาคิดไปห้อยไปเขียนไว้กับความคิ ด, คดแต่คนนะไม่เคยมีคนสั่งคนสอนเลยยืดไปห้อยไปเขีนไว้กับความคิ ด, คดตอนคืนก็ว่าขวามกลางบันก็ว่าคิ ด, คดตอนคืนเป็นควันกลางบันเป็นเปียว การพูดที่ใสใจคอออกมาจากความคิ ด, คดจากมาจากจิตทั้งหมดพอบางเห็นหลักขีดคอมันสามยน้ําบบงมันคิดที่ได้นรูที่นั่นยิ่งดีแล้วมันมันคิดทติดในรูที่นั่นมีงานอันชบอบเปลียนหลงเป็นรูในความคิด เปลี่ยนสุขเป็นรู้ในความคิดเปลี่ยนทุกข์เป็นรู้ในความคิดในความคิดมันมีสุขมีทุกข์มีล็อกเป็นยงมีมากมายในความคิดเนี่ยเป็นจุ ด, เ ป, จดเป็นจุดจบที่ตรงนั้นเป็นจุดศึกษาเทีย่ยวดันเหมือนท่านทั้งหลายจบการศึกษาจบที่นั่นจนอยากตะตะโกนออกมาให้คนได้ยินเอ้ยต่อ น, นี่ไ อันว่าความสุขความทุกข์กิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้วโท่ป่าโท่ทว่าพุทธโธก็พุทโธตรงด้พุทธโธป่าโธไม่ต้องว่าพุทธถ้าจะเข้าว่าพุทธถ้าจะป่าโธตตื่นตรงนี้นะาว่าพุทธโธตอนนี้ใช่ไหมพุทโธมันต้องตื่นนะไม่ใช่ไปว่าแต่ปาเป็นภาษาน้แค่ลกุทองตื่น ตอนต่อหนี้จบไป อ, อันทุกข์ที่เกิดจากความคิดอันสุขที่เกิดจากความคิดจุดกันเฉยๆหมดแค่นี้จบแค่นี้มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อะไรมาแทนอะไรจะมาแทนที่ก็สติปัญญาเกิดมาแทนที่ความหลงเมตตาคุณาเกิดมาแทน สึนเสมาีิปัญญาเกิดมาแทนที่งอกงามขึ้นเหมือนพืชที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เราปลูกไม้ไป่ไปน้าอวานในภาเพื่อนเพื่อน น, นั่งรถโลกบริเวณปัดต้นไม้ปลาไผ่ ผใต้นเท่าเช่นยาดปลูกคนปนกับหญ้าคาไม่ต้องไปทําอะไรมันหญ้าคาปลูกผใยต้นเช่นเดียวกับเท่าหญ้าคาผใยมันก็ต้องขึ้นหญ้าคาอะไรใบคั้วต้นผใต้นหญ้าสาบเสือขึ้นมาหญ้าสาบเสือรู้จักไหมต้นสาบเสือ ขึ้นจากย้าขาได้สาบเสือเป็นต้นไม้ที่ช่วยให้ต้นไม้อื่นเกิดขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงสาบเสือขึ้นแชกขึ้นต้นยาขาสาบเสือขึ้นที่ตรงไหนย่าคาเบียกให้เอยาคาแบีกให้ต้นไผ่เกิดขึ้นต้นไผ่งกขึ้นมาสาบเสือเกิดขึ้นเป็นเรื่องต้นไผ่เกิดขึ้น ยาคาเนี่ยไม่ต้องไปด่ายมันไม่ต้องไปถางมันไม่ต้องไปจุดไฟผอมมันไม่เกินห้าปีหมดเลยทีเดียวต้นไผ่เกิดขึ้นมาดูป่าไผ่เสียๆแต่กวอนปนยาคาที่เราเรียกว่าดงไผ่ดงไผ่มันเปลี่ยนจากตรงยาคามาเป็นดงไผ่มันเป็นธรรมชาติในความรู้ในความหลงมันเกงความรู้มันจะงามในความหลง มันจะงอกงามในความหลงความรู้สึกตัวจะงอกงามในความทุกข์งอกงามในทุกอย่างเปลี่ยนมันเป็นความรู้สึกตัวงห ว, วดมันต่างกันมันเป็นธรรมธรรมย่อมชนะธรรมอยู่เสมอมันจริงอย่างนี้เสมอหมายเถอะใครจะโกรธไปถึงไหนก็ต้องไม่โกรธอยู่สักช่วงหนึ่งเคยมีนะ บางทีมันโกรธนึกว่าจะไม่อยู่เฉยๆมางทีก็หายไปมาเกิดไม่โกรธขึ้นมาบางทีเราโกรธตีลูกจนไม่เลียวขาดบ่ชักหน่อยมันหายโกรธความโกรธกลายเป็นความสงสารเสียใจสงสารลกูกเสียใจเป็นความผิดพักคาติวคืนไม่ได้ นักษณะนั่นก็มีสำหรับบางคนเ็ดหลับเ็ดหลับเพราะความผิดพลาดของตัวเองต่หน้าที่เราเป็นแม่เราทำคนผู้กระดานนี่หรือสงสารลูกเก็ดนอนอย่ามองไปทาเผลไม่เดียวให้ทั้งน้ำตาไหลทั้งชิดเสียใจเพราะทำผิดบางที่มันทะเลาะกันแล้ว เพื่อนกันทะเลาะกันพ่อครัวผัวเมียทะเลาะกันด่ากันได้ไม่อายคนท่วมบ้านท่วเ ม, มองอีกสักหน่วงมันหายโกรธเฉียใจอายกันมันไม่ใช่ตัวใช่ตนหนื่นความโกรธความทุกข์อ่ะแต่มันก็ยังช่วยเราอยู่นะทำยังช่วยอยู่นะไม่ใช่โกก็อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่เราไม่ช่วยทำสักที บัดนี้เรามีสติขณะนั้นมันจะเป็นอย่างไรที่มันโกรธ ท, ที่มันทุกขนะ์เนี่ยแปลกลงไปมันไม่มือดจอากนั้นจะมุไปนะครัที่มันมืดนะมันจะได้โอกาสช่วง น, นั้นจากความโกรธกลายเป็นสติปัญญาจากความทุกข์กลายเป็นสติปัญญามันมีรสชาติตรงนั้นดีที่สุดนะให้มีความเพียรสักหน่อยมีศรัทธาสักหน่อย ยับยั่งไว้จักหน่อยคอยดูชักหน่อยเวลาโกรธอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งทำอะไรอย่าพึ่งคิดอะไร น, นิ่งนิ่งไว้ชักหน่อยจะเห็นหนทางจะเห็นหนทางเหมือนเราจะตอบ ป, ปัญหาเห็นข้อสอบออกมาโอาอ่านข้อสอบแล้วไม่รู้เลยตกอีกแล้วกูไม่ได้อีแล้วใจเชียดนี่ไม่มีปัญญา อ่านปัญหาพอเจอปัญหาดิ้งทำใจสบายอเอาอื่นไปก่อนตอบข้ออื่นไปก่อนง้อตอบข้อืนไปตอบข้อื่นไปตอบเพื่น อ, อนมันมาเกิดปัญญาขึ้นมาได้ให้มันได้สร้างไปก่อนให้มาเลยมีทางไปจะก่อนคิดอันอื่นตอบข้ออื่นไปก่อนมันจะมีงานทีหลังจะได้ตอบได้ ท, ทันทีถ้าไปเจอข้อแรกข้อที่หนึ่ง ตอบข้อที่หนึ่งเมื่อไหร่ไม่เขียนเลยชอบไม่คิดอยู่เสียเวลาไว้ตอบข้อนะั้นมันมีปัญญาตาจากความรู้จักตัวเนี่ยมันเป็นต้องศีลมันตั้งเป็นทั้งสมาธิมันเป็นทั้งปัญญามันเป็นทั้งละความชั่วมันเป็นทั้งเติมความดีมันทําให้จิจบริสุทธิ์โอ้เพียงเชื่อมั่นมากที่สุด ไม่ต้องอ่านตำหรับตำหลาถ้าจะไปให้ถึงถ้าจะฝึกตนสอนตนจบได้จะติปัฏฐานเนี่ยมันครบวงจรถ้าเราได้บทเรียนจากกายจากใจที่วันเ จ, จริญออกบ้านครบวงจรจิตกิจก็ดีสังคมก็ดีสุขภาพก็ดี ดีไปหลายอย่างนะต่อไปมันก็ต่อไปเป็นบุญมุนไปโอบุญความดีต้องไปโตความดีงอกงามแต่พิเตอร์เผยไปฉชนั้นนี่ชีวิตของเราไม่มีค่าวันเลยไม่ใช่ปล่อยทิ้งศึกษาลองดูวว้ยสักหน่อยชีวิตเรามันมี อะไรที่มันกว้างใหญ่ไพสาลมากกว่านี้เอาไว้แล้วนี่ไว้ก่อนตื่นตะลึกศึกตะนมโบราณท่านว่ามีตื่นคือภาวะที่รู้จักตัวตื่นรู้ขึ้นมาอะไรแบบนี้รู้ก่อนมาให้มันรู้ออกทั้งออกตาก่อนศึกตะนมศึกษาศึกษาคือตะหลงศึกษาคือตะหลงคือย้อยมั้นเขาตะหลงแน่ เอาแต่เนื้อมันว่าศึกษาคือศีลคือสมาธิคือปัญญามาได้ถ้าหลงตัวหลงไม่ถูกต้องตัวไม่หลงถูกต้องเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้ความถูกต้องตัวไม่ถูกต้องมาเป็นความถูกต้องได้ความผิดมาเป็นความถูกทั้งหมดเลย นิวาสสกตาเป็นเครื่องเล่งชีวิตของเราเลี้ยงจิตเป็นญานยุทธ์ของเรามีสองส่วนเรื่องลูกต้องเลี้ยงมันด้วยอาหารรูปกายปินญาีคือจิตต้องเลี้ยงด้วยธรรมสิขาและธรรมเป็นเครื่องเรื่องชีวิต หิกุนังสิกขาสาชิวาสมาปนาถึงพร้อมด้วยสิขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุภิกษุคือผู้เห็นภยัยพวกเรานั่งอยู่นี่เป็นภิกษุทั้งนั้นเป็นผู้เห็นภยัยในวัฏฏะจงสารเกิดแก่เจ็บตายเรียนว่ายตายเกิดเป็นกรรมเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากอยู่ เห็นคนสูบบุรี่หรือยกตัวอย่างพราสูบมันจึงติดเพติดมันจึงอยากพราะอยากมันยังสูบเพราะสูบมันจึงติดเพติดมันจึงยากเพราะอยากมันยังสูบตรงไหนที่มันเป็นกรรมวิเลตกรรมวิบาตตรงไหนปันเป็นกรรมมันเป็นวัฏฏายังนี้จะตัดกรรมอย่างไร สำคัญตรงที่ตัดกรรมตัดกรรมนี่ก็เจ็บปวดเหมือนกันนะใช่ไหมตัดตรงไหนเพราะสูบจึงติดเพระติดจึงยากอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นกรริเลสอะไรเป็นไม่บากตรงเนี้ยต้องตัดกรรมตรงนี้ในความทุกข์ในความโกรธก็เหมือนกันทั้งหลายทั้งหลายเหมือนกันหมดมันมีกรรมมันมีกรรม กรรมคือการกระทำตรงไหนล่ะมันเป็นกรรมคนจูบบุหรีเนี่ยคนกินหมากคนติดเหล้าคนติดยาเสพติดคนโกรธคนหลงคนทุกข์คนเนี่ยเป็นนิสใยไเนี่ยมันมีบีบเบรคมันเป็นวัตะผู้มีผู้เป็นภิกขุผู้เห็นวัตะทงสารเรียกว่าบันพชิตเนี่ยไม่ใช่เะรนะ ภิกษุนะใช่ไหมหรือว่าอะไรมันผู้เห็นภายในวัตตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะภิกษุภิกษุผู้เห็นภายในวัตตะเราจะหลงอยู่จนตายเราจะโกรธจนตายเราจะทุกข์นตายไหมเป็นบัตตะถ้าโกรธที่เราจะไปนั้นว่าสูญเสียถ้าหลงที่ก็สูญเสียถ้าทุกข์ที่ใดก็สูญเสียแล้วกลับไปบอก มันล่าสมัยจนทุกวันนี้เป็นคนถ้าคนอยู่เช่นนั้นมันล่าสมัยจึงได้ว่ามาเป็นภิกษุกันเถอะมาเห็นภัยในวัฏฏะสงสารซูบเป็นกรรมติดเป็นกิเลสยาดเป็นมิบาท เพราะไม่สูบจึงไม่ติดเพราะไม่ติดจึ่งไม่อยาเพราะไม่อยากิงเพราะไม่จึงไม่สูบเพราะไม่สูบจึงไม่ติดเพราะไม่ติดจึงไม่อยากเชิดเลยวิบัติเลยแบนเลยไม่เป็นวงกลม ทิ้งไปแป๊บเหมือนของไม่ไม่ไม่เป็นปกจิ้งไปก็ไม่ทิ้งนี่วัตตะเราจะมาตัดวัตตะตัวเองด้วยกรรมฐานตัดมันก็เจ็บปวดนะเจ็บปวดไม่อดบุรีเนี่ยหนึ่งวันเจ็บปวด ทนไหมมันคิดสูกเราไม่สุกเจ็บปวดนิโคตินมันอยู่ในเช่นเลือกหนึ่งวันสองวันสามวันทนไปชักหน่อยซมันเจ็บปวดแล้วจะไม่ทนอะไรหรือไม่ได้เลยทนชั่วหน่วันหกวันเจ็ดวันมันค่อยคืนด่านิโคตินออกปมด มันออกไปทางลมหายใจออกไปทางปัสสาวะออกไปทางขับถ่ายมันก็ปมดเชื่อได้เมันก็บจะไห ม, นมหนึ่งไปไหมป่ า, าดอกดอกไปอยู่ทางนี้เอาดอกทางนี้มันลมแรงงดจะดับทางนี้ดับคนเดียวดอกไปทางนี้ออทั้งหลังมันไปมันปิวไปไหมอีกแล้วบ้น ดูทั้งไหนไฟไหม้รอบเราหมดเลยแต่ทำไงโดนจะทำไงไม่ขี้น้อยฮะไฟไหม้รอบเราทําไงฮะจะต้องตายให้ไฟไหม้อยู่นเนือเจ็บปวดทั้งหน่อยได้ไหมอ่าก็ ก, ก็มองออกทางไหนทางนั้นมันไฟไหม้มาแล้วทางนี้มันไฟไม่กันกำลังไม่ย่า ก, กันอยู่ไหนเราออกทางไหนถ้าออกไปทางนี้ มันก็ไม่ยากเชื่อไฟอยู่กระโดดไปทางนี้แม่มันมีไฟน้อยๆพอกระโดดข้ามไปได้แต่ถ้าเราเป็นอะไรร่มลงไปเป็นลมร่มล่าเราก็เหนื่อยเป็นพีแ่แล้วก็ล่มลงไปไฟก็ไม่ไปตายตายไม่เราตายเลยเราต้องออกทางนี้ไฟมันไม่มาแล้วเนี่ยย่ามันอยู่ทางเราไฟไม่มาทางนี้แม่มันหหมใช่ไหม <laughs> มันโหมข้ามไป ขนคิ้วขนตาน่ยไม่กันะเจ็บปวดนิดหน่อยไปเรื่ยๆนี่อะไรที่ไม่ยอมไม่สู้จังหน่อยเลยสู้จังหน่อยทีมันทุกข์สู้จังหน่อยที่ข้ามทุกข์ไปจังหน่อยมันปวดนั่งอยู่นี่มันปวดสู้จังหน่อยอย่าให้คนปวดพารุกเอาจังหน่อยเะนะหัวโล่นคนปวดนะก็เปลี่ยนจักหน่อยเถอะลุกขึ้นหน่อยนั่งนานแล้วลุกมันคิดจะลุกอย่าเา ยังไม่หลบนั่งสบาอ่านั่งเดินโดยตัวคิดจะนั่ ง, งเดี๋ยวเดินช้าหน่อยก่อนให้มันข้ามไปช้าหน่อยมันจะเจอก้าขึ้นมาค่อยนั่งได้ดานขึ้นเดินนด้นมาขึ้นถ้าเรามันคิดจะลุกปอยเลยคิดจะนั่งก็ น, นั่งเลยไม่มีสติตอนโตก่อนแล้ววางมันคิดที่มันโตให้เกิดความหลง ไปเป็นสุขเป็นทุกข์ให้ความทุกข์เป็นทุกข์เป็นใหญ่ขัวสติสติได้ตามหลังเขาฉชนั้นมันไม่ใช่กรรมฐานต้องข้ามไปจักหน่อยจะลุกก็ดอยเราจะลุกเองไม่ใช่ขมปวดพะลุโอยตายอย่างนี้ไม่ใช่กรรมฐานกมฐานลุกสะกังนสติไปก็เดินไปเดินไป มันปวดมันเพื่อให้สมควรเราจะนั่งเองไม่ให้ความคิดเาสั่งเราจะนั่งของเราเองให้สติพนําหน้าไปจากนี้นะเรียกว่าแจกก้าอินทรีย์แจกก้าถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้สตินําหน้าให้ความคิดทำเรื่องทุกอย่างจะลุกจะนั่งจะ น, จะนอนจะกินจะไปไหนไปตามความคิดอินทรีย์ไม่เจอก็สติอินทรีย์ไม่เจอก้า เวทนาแจ่แก้กลัวตอาหูจมูกเล่นกายใ้แห่แก้าไปเหมือนยอดไม้อะไรก็มันก็พอจะสติเหนชอดไม้อตอาหูจมูกเลนกลายใจเหมือนารไปทีนขาดไปเท่านั้นขาดไปเท่านั้น ม, มันเลยไม่เจ่แกาสติสติอินทรีย์เนี่ยไม่เจ่แกาอะไรมาจังหวัดก็ขา ด, ดง่ายมันก็ไม่เกิดโตอกอคติเพรามันเจ่แก้ แล้วมากี่ยวกักรรมฐานก่อนเข้ามากระดองเช่นก่อนกรรมารู้เช่นก่อนนี่กร็ดองกรรมารู้เช่นก่อนกรรมารู้เช่นก่อนพขอยามลองดูนะสี่สิบวันเนี่ยขอเชิญแม่ชีทุกคนโอเชื่จะหยุดการหยุดงานเลยบ้างหรือมีงานก็ให้มีสติไปแล้วไม่ไม่ทํำท่าจะ ด, ดีกับบาเข้ากับบรนทานอย่าว่ากันอย่าไป ทดลองอะไรกันก็ น, นั่นช่วยคนนี้มาช่วยอย่าไปคิดแบบนั่นให้เป็นอิสระในการใช้ชีวิตระหว่างสี่สิบวันถ้าไม่มีคนปรุงอาหารเขาบอกจอนตุ้มจอนโดได้หาวิธีแก้ไขเป็น <c oughs> นะบอกอาจารย์จังสินบอกคารกาไดแล้วกรรมฐานในช่วงนี้ตาม พี่และเบียบว่าให้หลวงพ่อแต่งตั้งผู้ใดเป็นผู้พิพิจนาจารย์จะให้ใครเป็นพิพิจนาย <c oughs> อาจาแม่ชีก็ให้เป็นพิพิจนาจารย์ช่วยกันทําให้ดูอยุยเห็นผู้ได้ฟังตามฐานะประสงค์นี่หลวงพ่อตรองสุขเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ได้ างาสงศิ์วัดตาชัยหลายรูปอยู่เนี่ยพระสงฆ์หลายรูปเป็นผู้นำกันได้ยาที่ยงกันไม่รู้อะไรไม่มีอะไรมีห่อข้าวไปให้กันกินก็ได้ไม่ใช่ไปผมยังไม่บรรลุธรรมเดีวไม่ช่วยใครไม่ใช่ มีห่อข้าวทุกคนมีสติทุกคนบอกผิดบอกถูกทุกคนเราไม่กินห่อข้าวเอาให้คนอื่นกินเขาก็าจะอิ่มได้ใช่ไหมห่อข้าวมีอยู่ในเราเนี่ยเราไม่กินสตีแต่ว่าเอาให้คนอื่นกินเขาก็จะอิ่มก่อนเราเราก็หิวอยู่เพื่อนมีความรู้สึกตัวยกมือขึ้นลูกลุกมือขึ้นลูกเรียกว่าห่อข้าวไปบอกมันได้ ถ้าคนไหนที่ง่วงเหงาหน่อยไม่ง่วงก็ได้นะแม้เราง่วงอยู่ก็บอกตายไม่ง่วงก็ได้สู้มันเราก็ง่วงเคยสู้อย่างนี้แล้วอาจจะเขาเจงกว่าเราก็ได้ให้เป็นให้ไช่วยกันทุ ก, ทกชีวิตเป็นเพื่อนกันการเลียนะมิตรมนันก็เป็นทุกอย่างในชีวิตของเราถ้าเป็นกระดาษมิตรกันน่าจะไม่ จะไม่ขี้เ่าใครทุกชีวิตเอยู่ที่นี่ช่วยกันช่วยกันทําให้ดูแบบช่วยกันแล้วอยู่ให้เห็นก็เรียกว่าช่วยกันแล้วเย็นให้สัมผัสลุกหนีลุกลนยิ้มยิ้มเยี่ยมแย่ย ง, ยงแจ่มใสบอกกันก็ได้บางโอกาสช่วยกันช่วยกันพวกเราน้องตาก็จะมาอาศัยนะ อาสัยไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยพูดได้บ้างเฉพาะตอนเชา้าตอนเย็นตอนอะไรไม่ได้แร้วเมื่อวานฌานชานมานี่หมนต์ใ้ไปสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยคนสิงคโปร์นหมนให้ไปเพ ร, ะร า, ราระร ว, ว, าว่าไปไม่ได้แล้วฌานชานก็บอกว่าผมจะพูดเองไปประดับที่เคย <laughs> ไม่ได้หรอก ไม่ได้ประดับใครเราไม่ไปแลยตัดใจเฉ้มแข็งเลยตชนนี้เฉิมแข็งขึ้นมาไม่งออ้อใครแล้วขออยู่ที่นี่นาะขอเอสียเพื่อะเราสวรเจอเวลากับภาพฟ